บทที่3พยากรณ์ดาวเด่นอเผอิญเป็นวันเดิมที่นนทการเคยมาพบหมอดูอุปการะซึ่งน่าจะประกัรว่าคุณน้าหมอดูของเขาคงอยู่แน่ๆแต่แม้เป็นวันเดียวกันสิ่งที่เริ่มไม่เหมือนเดิมก็คือจำนวนลูกค้าคราวก่อนโต๊ะหมอดูอุปการะเป็นโต๊ะเดียวที่ไร้ใครสนใจใหญ่ดีสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทันทีทว่าคราวนี้มีลูกค้านั่งอยู่ตรงหน้าหมอดูอุปการะสองคน และมีอีกรายหนึ่งยืนรอคิวแบบเจาะจงว่าต้องการมาหาหมอดูอุปการะโดยเฉพาะซึ่งการรอคิวเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นให้เห็นนักสำหรับโต๊ะหมอดูตามห้างอีกสิ่งหนึ่งที่นนทการสังเกตเห็นว่าแปลกไปคือบนผ น, นังเหนือศีรษะหมอดูอุปการะเริ่มมีป้ายในเครื่องหมายคําพูดกัมพยากรที่บ่งบอกวิธีทํานายทายทักอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนั้นหมายความว่าหมอดูอุปการะเริ่มประกาศชาัดว่า ตนดูหมอด้วยวิธีใดคบกับลานดาวมาจนพอจะรู้ว่าหล่อนเกลียดการรอคอยเพียงใดจึงชวนว่าไปหาอะไรกินก่อนไหมนี่มีอีกคิวหนึ่งแน่หญิงสาวเล็งตาคะเม้นมองชายวัยประมาณ40อันเป็นที่หมายเห็นความมีสง่าราศีแบบผู้ใหญ่ใจดีไม่มีผิดภยัยกับทั้งทรงภูมิหน้าเชื่อถือแล้วก็เกิดความเลื่อมสใสใล้อยากดูหมอเป็นกาลังอย่าเลยเราไปทางอื่นเดี๋ยวเกิดมีใครมาต่อคิวอีกก็เสรสิ รอกันเง ก, กนนทการประหลาดใจและเห็นแปลกที่ลานดาวยอมยืนคอยเขาจะประหลาดใจน้อยกว่านี้หากหล่อนใช้ให้เขายืนคนเดียวส่วนตัวหล่อนเลี่ยงไปทางอื่นและบอกให้เรียกตัวผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อถึงคิวความจริงแกเป็นหมอดูใหม่นะแกบอกว่าโจเป็นลูกค้ารายแรกยอมขยายความจริงเมื่อเห็นว่ามาถึงที่เรียบร้อยและเห็นลานดาวมองหมอดูด้วยความสนใจชนิดจับตามไม่วางคราวก่อนโต๊ะยังว่างๆอยู่เลยอาทิตย์เดียวมาอีกทีต้องรอคิวแล้ว อืหญิงสาวคลางรับรู้สั้นๆจะจะไปดูหมอรายอื่นเล่นก่อนไหมจกยืนจองคิวให้ช่างเถอะไม่เป็นไรหลอนกำลังสังเกตท่าทีลูกค้าตรงหน้าหมอดูที่แสดงอาการเออออรับแต่ครับคลับคั บ, คบกับทงตั้งอกตั้งใจฟังคำทํานายแบบจดจ่อยิ่งยวดนั้นสะท้อนความสามารถของหมอดูได้มากพอคนที่ยืนรอคิวแรกเป็นหญิงกลางคนเมื่อเห็นนนทการกับลานดาวมารอต่อก็ทักทายแบบคนช่างพูด ที่พร้อมทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าได้ทั้งโลกเคยมาดูกันแล้วหรือหนูหลอนมองมาทางลานดาวแต่นนทการชิงตอบผมเคยครับวันนี้เลยพาเพื่อนมาหมอดูคนนี้แม่นนักถ้าทางแกมีตาทิพย์จริงๆเป็นการเชียร์แบบชาวบ้านที่ไม่สนใจต้นสายปลายเหตุของความแม่นรู้แต่ว่าแม่นก็ทุ่มความนับถือให้สุดตัวแล้วรู้ได้ยังไงคะเขาดูอะไรให้พี่หรือพอบอกหนูได้ไหม ล้านดาวไทยถามอย่างชักจะเห็นว่ากิติศัพท์ของมอดูรายนี้น่าเชื่อถือขึ้นถูกทีบอกได้หลอนเฉลย อ, อย่างคนชอบเปิดอกคุยข้าเวลาบางทียังไม่ทันถามแกก็ตอบแล้วสำคัญคือตรงเพ่งทุกเรื่องด้วยแต่เด็ดดวงที่สุดคือมือถือของพี่หายนึกเสียดายเพราะราคาแพงก็เสี่ยงถามดูเล่นๆไปอย่างนั้นไม่นึกไม่ฝันเลยน้องเอ้ยแกบอกได้ขนาดว่าใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนที่เป็นคนเก็บโทรศัพท์ได้ สองหนุ่มสาวสะดุง้งมองหน้ากันด้วยความทึ่งสุดขีดพี่ตามไปขอคืนก็พบตัวแล้วเขายอมคืนจริงๆนี่พอรู้ว่าหมอดูอุปการรัเป็นคนบอกเขาก็จะยกขยงมาดูตามกันอีกแนะ่แล้วมีเรื่องอะไรที่พอเล่าให้ฟังได้อีกคะลานดาวพยายามเก็บความทึ่งไม่แสดงอาการออกนอกหน้าเท่าใดนักเนื่องจากเป็นเรื่องที่ยังไม่ประสบด้วยตนเองพี่ถามเรื่องญาติที่เพิ่งเสียหมอแก่ก็บอกได้เสร็จสรรพว่าหน้าตาส่วนสูงและนิสัยใจคอเป็นอย่างไร ทำคำรรเด่นๆแบบไหนไว้บ้างอันเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นอะไรคะหญิงสาวยิงคําถามตาโตนิดๆเป็นเปรตหญิงกลางคนตอบเสียงอ่อยถ้าหมอแกพูดแบบขาดเหตุผลก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะแต่นี่แกเล่นบอกถูกหมดว่าไอาอีของพี่ทําอะไรไว้บ้างเลยจําเป็นต้องเชื่อแล้วหมอแกช่วยได้บ้างไหมคะคราวนี้หญิงคนนั้นยิ้มและพยักหน้าช่วยได้สีเห็นแกช่วยแผ่เมตตาช่วยส่งจิตคุยให้ไออีระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทํา เช่นบริจาคเลือดใส่บาทพระแล้วให้คอยรับส่วนบุญจากญาติญาติด้วยล้านดาวทำหน้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหมอเขาคิดค่าช่วยเหลือเท่าไหร่คะไม่คิดนางรีบบอกแต่เมื่อคืนไ อ, อีมาเข้าฝันบอกว่าตอนนี้สบายแล้วและขอบใจพี่มากวันนี้พี่เลยจะเอาเงินมาส ม, มนาคุณหมออุปการะไงจังหวะนั้นลูกค้าที่โตลุกขึ้นนางจึงละล่ำละลักลาอุ๊ยขอตัวก่อนนะจ๊ะหญิงสาวกพลิบตา ท, ท, ทีเหลียวมองเพื่อนชาย ชักเลื่อมใสฮะเห็นไหมล่ะบอกแล้วไม่เชื่อนอนท ก, การเสริมอย่างได้ทียิ้มกลิ่นแบบได้หน้าเอ๊ะถ้าไม่เชื่อจะตามมาเหรอขณะนั้นมีลูกค้าอีกรายมายืนต่อหลังสแสดงเจ๊จํานงว่าขอเป็นคิวต่อจากหล่อนและเพื่อนทําให้ลานดาวกระิบกระจาบเห็นที่มาคราวต่อไปคงต้องยืนรอตรงปากทางเข้าห้างชายหนุ่มหัวเราะเขากับลานดาวยืนรอเกือบครึ่งชั่วโมงจึงได้คิวความจริงเจ๊ช่างพูดยังคุยน้ําลายแตกฟองไม่เลิก แหมออุปการะขอหยุดไว้เพื่อให้โอกาสคิวหลังที่กลายเป็นสามคิวแล้วนนทการยกมือไหว้หมออุปการะอย่างนอบน้อมน่าจำผมได้ไหมครับจำได้สิลูกค้าคนแรกจะลืมได้ยังไงหมอดูตอบอย่างอารมณ์ดีวันนี้ผมพาเพื่อนมาครับสองหนุ่มสาวลงนั่งด้วยกันพอดีกับจำนวนเก้าอี้ลูกค้าที่ทางห้างจัดไว้ให้โต๊ะหมอดูแต่ละห้องเมื่ออุปการะเหลือบมองลานดาวหญิงสาวก็ยกมือไหว้ตามเพื่อนหนุ่มสวัสดีครับ อุปการะรับไหว้พร้อมยิ้มเย็นลานดาวรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างประหลาดตั้งแต่แรกสาวมาหล่อนคุ้นเคยยิ่งกับอาการลุกลีลุกลนหรืออย่างน้อยกระตือรือร้นเป็นพิเศษจากชายแทบทุกวัยที่พบปะเสวนากับหล่อนในคราวแรกแต่รายนี้เฉยสนิทแบบที่สัมผัสออกมาจากภายในได้ทีเดียวและพอรู้สึกสนิทใจพอหล่อนจึงขยับกายนิดหนึ่งกระแอมเล็กๆบอกนนทการว่าชนขอดูเป็นส่วนตัวได้ไหมนนทการเลิกคิ้ว ได้สิเดี๋ยวโจกไปนั่งดูหมอพายิบสีที่ห้องทางขวามือสุดแล้วกันจะเสร็จแล้วไปเรียกนะลานดาวพยักหน้าขอบใจเมื่อเพื่อนหนุ่มลุกจากไปแล้วหล่อนก็ยิงคำถามทันทีอย่างสาวยุคอินเทอร์เน็ตที่ไม่เคยเคอะเขินเมื่อต้องเจรจาครั้งแรกกับใครเพื่อนของหนูบอกว่าคราวก่อนพี่พูดถึงหนูพูดได้ตรงหมดเลยอุปการะย่นคิวเล็กน้อยอย่างทบทวนความจำแล้วก็คลายหัวคิวเมื่อระลึกได้อ๋อหนูนั่นเอง จกว่าพี่บอกได้ชาติก่อนหนูทําบุญอะไรมาถึงถึงเป็นแบบนี้แล้วก็บอกได้ด้วยว่าหนูจะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่หมอดูพยักหน้าผมจําได้ว่าบอกเกี่ยวกับเรื่องกรรมในอดีตของหนูแต่วันก่อนไม่ได้บอกเรื่องเนื้อคู่นะว่าจะเจอเมื่อไหร่เหรอคะแล้ววันนี้บอกได้ไหมคะอุปการะเม้มปากเหลือบตาลงต่ำคล้ายเล็งแลหรือช่างใจอะไรอยู่ก่อนจะถามขึมลงเล็กน้อยจะเอาเรื่องไหนก่อนกรรมในอดีตหรือว่าเรื่องเนื้อคู่ เรื่องอีอีเนื้อคู่ก่อนแล้วกันค่ะผู้ทำหน้าที่พยากรระบายลมหายใจยาวผมเกรงว่าบอกหนูไปแล้วหนูจะไม่เชื่อลานดาวชะงักทำไมคะหนูเข้าใจความแตกต่างระหว่างคนที่จะทำให้หนูรักได้กับคนที่จะเป็นคู่คลองชนิดอยู่ร่วมกันตลอดไปใช่ไหมค่ะกว่าหนูจะเจอคู่คลองที่แท้จริงก็อายุเกือบสี่ิบโน่นน่ะนะระหว่างนั้นจะพบแต่เบี้ยบ้ายรายทางกับคนที่เรารักและจะทาให้เจ็บมากๆสองคน ลันดาวรู้สึกว่าตนเองหน้าซีดลงใจนึกต้านขึ้นมาทันทีแต่ก็พยายามฝืนสงบท่าทีไม่แสดงอาการดูถูกคำทำนายของหมอว่าน่าจะเลวเสียแล้วอย่างนั้นหรือคะสองคนที่จะทำให้หนูเจ็บนี่เจอกันหรือยังคนแรกเจอแล้วหนูจะทุกข์เพราะความรักกับเขานั้นเป็นไปไม่ได้แต่คนที่สองยังไม่เจอกันต้องอีกระยะหนึ่งถึงจะได้เวลาโคจรมาพบหญิงสาวกำกระเป๋าถือบนตักแน่นชักนึกอยากพูดทากทางหมอดูขึ้นมารำไร ขอโทษนะคะแต่เท่าที่หนูรู้สึกคือยังมองไม่เห็นคนรู้จักสักราเลยที่มีสิทธิ์ทำให้หนูเจ็บช้ำน้ำใจคันปากยิบยิบอยากขยายต่อด้วยซาำว่าที่เรียงหน้าเข้ามาช่วงนี้มีแต่เจ็บจากมือหลอนกลับไปทั้งสิ้นอย่างหลอนหรือจะเจ็บจากใครหน้าไหนภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้หนูจะรู้ลานดาวนึกโกรธคล้ายถูกคาทานายตบหน้าคนมีดีพร้อมขนาดหลอนหรือจะเจ็บจากความรักได้ฝันไปเถอะ หญิงสาวข่มใจจะลุกหนีเสียเดี๋ยวนี้ก็ใช่ที่เพราะอย่างไรก็ต้องจ่ายสองจึงกัดฟันถามต่อรู้จักเพื่อนของหนูว่าพี่ดูชะตาจากกรรมที่ทำไว้แล้วหนูทำกรรมมาแต่ปางไหนหรือคะถึงต้องเจอคนรักที่สร้างความเจ็บให้แทนการตอบทันทีอุปการะย้อนถามว่าหนูกำลังโกรธผมใช่ไหมลานดาวกระพริบตาทีหนึ่งคาทักนั้นทาให้หลอนรู้สึกตัวและสงบอารมณ์ลงอย่างรวดเร็วคงแค่ไม่พอใจคาทานายมากกว่าค่ะ อย่าว่าหนูถือดีเลยคนอย่างหนูต่อให้เทวดาเหาะมาจากไหนก็ไม่สนหรอกอีกอย่างหนึ่งถ้าบอกว่าคนแรกที่จะทําให้หนูเจ็บนั่นได้รู้จักกันแล้วยิ่งสอเลยว่าคลาดเคลื่อนเพราะช่วงนี้หนูไม่เห็นใครในสายตาเลยจริงๆเอาเป็นว่าผมจะพูดถึงกรรมของหนูที่นํามาเจอกับคนแรกนี่แล้วกันค่ะชาติก่อนหนูไปทําอะไรไว้คะหนูอยากเข้าใจว่ากรรมและวิบากนั้นต้องพูดกันข้ามชาติเสมอไปเพราะความจริงก็คือกรรมในชาตินี้แหละที่หนูสั่งสมมากๆ แล้วเริ่มได้เวลาให้ผลรวบยอดคราวเดียวหญิงสาวนิ่งขึงบอกหน่อยเธอขา ว, ว่าหนูทำเวรทำกรรมอะไรไปบ้างโดยรวมแล้วหนูทำให้คนอื่นทรมานและลวงให้พวกเขาฝันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กรรมนั้นเองจะจูงเราไปทรมานจากความฝันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นกันโดยมีคนสนิทในอดีตชาติมาเป็นตัวแปร ى, เป็นเครื่องมือลงโทษขออภัยนะผมชอบพูดตรงไปตรงมาเพื่อให้คนฟังเข้าใจชัดเจนไม่ต้องแปลซ้ำหรือตีความภายหลัง คราวนี้แปลกที่แม้อุปการรับพูดเหมือนต่อว่าหรือกล่าวโทษกันตรงๆลานดาวกลับรับฟังอย่างสงบนอกจากไม่ถือโกรธแล้วยังฉุกใจบางอย่างอีกด้วยไม่เป็นไรค่ะถ้าบอกเหตุผลหนูรับได้แต่พวกเขาคิดไปเองฝันไปเองทุกทรมานไปเองนี่คะจะมาโทษว่าเป็นกรรมของหนูได้อย่างไรการก่ อ, อ ก, กรรมกับผู้อื่นมีหลักอยู่ง่ายๆนะหนึ่งคือมีเจตนากระทําการกับสิ่งมีชีวิต สองคือสิ่งมีชีวิตนั้นได้รับผลทางกายหรือทางใจสมเจตนาของผู้กระทาเราทําเวรทำกรรมไปนั้นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่าเป็นกรรมเวรอย่างไรวันหนึ่งก็ต้องให้ผลผมพูดอย่างนี้อาจทำให้หนูนึกได้นับถูกไหมว่ากี่ครั้งที่หนูพูดอะไรเช่นชักจะใจอ่อนแล้วสิทั้งที่ความจริงยังไม่มีใจแม้แต่นิดเดียวลานดาวตะลึงคล้ายถูกไฟดูดนั่นเป็นท้อยคาที่หลอนใช้เป็นประจาจริงๆ โดยเฉพาะกับนักตือที่ดูดีและท่าทางจะไม่มีพิษมีภัยในภายหลังจะว่านนทการแอบมาเล่าให้ฟังก็คงยากเพราะจําได้ว่าหล่อนไม่เคยโปรยคําเด็ดนี้ใส่หูเขาต้องพิเศษกว่านนทการอีกสักนิดหนึ่งหลอกถึงมีสิทธิ์ได้ยินแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกรรมที่ต้องได้รับโทษหรือคะไม่ใช่แค่คําพูดนี้หรอกนะทุกอาการทุกถ้อยคำที่รวมกันทําให้ใครต่อใครเขาค า, าดหวังนั่นแหละลองเอาใจเขามาใส่ใจเราถูกหลอกให้คาดหวังอย่างแรง จบลงด้วยความผิดหวังอย่างหนักเหมือนเมื่อเรายังอ่อนแอในวัยเด็กพ่อแม่บอกว่าจะมาแล้วไม่มาเราน้อยใจเราอยากร้องไห้อย่างไรก็คือความรู้สึกแบบนั้นคูณเข้าไปด้วยจํานวนหนุ่มๆที่อกหักจากเราลองคํานวณเถอะว่าถ้าวันหนึ่งมันย้อนกลับมากระแทกเรามันจะหนักขนาดไหนเมื่อครู่มีโอกาสคุยกับเจ๊คนก่อนหน้านี้เขาบอกว่าพี่ระบุชื่อคนเก็บมือถือให้เขาได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่ก็น่าจะระบุชื่อและเวลาที่หนูจะเจอคนรักรายแรกได้ใช่ไหมคะ อุปการะสายหน้าไม่เหมือนกันหรอกครับบางเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและไม่เหลือวิสัยจะบอกก็บอกได้แต่บางเรื่องถ้ารู้เสียก่อนเกิดจะมีผลข้างเคียงตามมาหากผมล้ำเส้นกรรมวิบากของใครเข้าก็จะถึงความเดือดร้อนตามตามกันทั้งผมเองและคนที่รู้ในสิ่งที่ไม่สมควรรู้เดือดร้อนได้ยังไงคะในเมื่อเป็นการช่วยเหลือสัตว์ที่กาลังจะตกทุกข์ได้ยาก ก็อย่างตอนนี้แค่ผมบอกว่าจะเจอคนที่ทําให้หนูเจ็บหนูก็ตั้งใจไว้แล้วว่าใครแหลมเข้ามาโดยเฉพาะคนที่รู้จักจะปิดหูปิดตาหมดเพื่อให้คําทํานายของผมคลาดเคลื่อนลานดาวผวาอยู่ในส่วนลึกเพราะที่หมอดูกล่าวนั้นคือความตั้งใจของหล่อนจริงๆแต่ก็พยายามรักษากิริยาไว้ทําสีหน้าเรียบเฉยฟังฝ่ายนั้นกล่าวต่อถ้าหนูหลีกเลี่ยงการชดใช้กรรมครั้งนี้กรรมก็จะจัดสรรคนใหม่เหตุการณ์ใหม่มาให้หนูต้องชดใช้จนได้นั่นแหละ วินาทีนี้ผมยังไม่เพ่งดูว่าใครคนนั้นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแต่เมื่อไรเพ่งดูและบอกออกไปหนูจะเลิกคบเขาทันทีซึ่งมันผิดกับระบบกรรมเส้นทางโคจรของหนูจะต้องพบกับเขาเพราะมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาและเขาจะมีบทบาทสำคัญกับชีวิตของหนูทั้งในแง่ของความเจริญขึ้นและความเสื่อมลงเอหนูสงสัยมานานแล้วนะว่าถ้าตายจากกันแล้วมาเจอเจอกันได้ยังไงถูกเอาแค่คนรู้จักกันในชาตินี้บางทีรักสุดชีวิต พอมีเหตุให้พลัดพรากหลายๆปีแล้วคิดถึงกันขึ้นมาต่อให้พลิกแผ่นดินหาแทบตายก็ไม่เจอขนาดจงใจหายยังไม่เจอแล้วอะไรที่เหวี่ยงให้มาเจอคู่กรณีเก่าที่ลืมกันหมดสิ้นได้กรรมเป็นเรื่องซับซ้อนหนูต้องเข้าใจต้องอย่างรู้ว่าลำดับการให้ผลของกรรมเป็นอย่างไรแล้วจะรู้สึกว่าพวกเราเหมือนมีแม่เหล็กติดตัววิ่งไปตามเส้นทางใดก็มีผลดึงดูดบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีบุพกรรมร่วมกับเรามาเจอกันใครมีอิทธิพลกับชีวิตเรามาก ให้ผลเปลี่ยนแปลงทางดีหรือร้ายได้รุนแรงก็หมายความว่าเราหลีกเลี่ยงการพบเจอคนนั้นไม่ได้และต้องใช้เวลาระยะหนึ่งทําความรู้จักคบหาและรับผลจากเขาเสียก่อนจึงถึงเวลาผละจากต่างจากพวกที่เราจะต้องเสียเวลาในชีวิตร่วมกับเขาเพียงครึ่งนาทีเช่นคนบอกทางแยกทางเลี้ยวให้เราไปถึงที่นัดหมายการพบหรือไม่พบคนจํานวนนี้มีผลเท่ากันคือจะไม่ทําให้ชีวิตเราต่างไปจากเดิม แล้แม่เหล็กดึงดูดคู่กรามที่พี่ว่านี่ฝังอยู่ตรงไหนในเราคะจิตใต้สํานึกหรือเปล่าถ้ายกเอาสิ่งที่เห็นง่ายในชาติปัจจุบันมาพูดก่อนคงพอเข้าใจหนูคงเห็นว่าถ้าเราพูดกับใครบ่อยๆก็จะเหมือนมีสายใยโยงกับคนนั้นไม่ใช่เหมือนกับเส้นเชือกผูกมัดเป็นตัวเป็นตนแต่สายใยที่รู้สึกได้ด้วยใจนั้นแหละจะกระตุกให้เราคิดถึงเขาบ่อยๆอันนี้คงนึกออกนะค่ะบางทีรู้สึกเหมือนใจเราเป็นสิ่งยืดตัวออกไปทางทิศใดทิศหนึ่ง ตามที่อยู่ของใครบางคนได้ตลอดเวลานั่นแหละที่เรียกความผูกพันสายใยเชื่อมโยงระหว่างจิตต่อจิตหลักการคือถ้าผูกเหนียวแน่นกับใครมากๆจะมีลักษณะฝังลงในส่วนลึกอย่างรากความสัมพันธ์ได้ถึงส่วนไร้สํานึกชนิดติดจิตติดวิญญาณข้ามภพข้ามชาติได้เมื่อพบกันอีกก็จะมีสัญญาณในจิตกระตุ้นให้ตื่นตัวรับรู้มีสายใยเชื่อมติดกันทันทีจึงเหมือนคุ้นเคยกันในทางใดทางหนึ่งนี่เป็นในแง่ของความจําพอจะเข้าใจคะ่ะ ในแง่ของกรรมซึ่งเหวี่ยงให้ต้องมาพบกันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่านั้นอย่างเช่นชาตินี้เรามีรูปงามก็เป็นธรรมดาที่จะมีความปรารถนาคู่คลองที่รูปงามเหมาะสมกันหากปะเหมาะเคาะดีคนที่ร่วมบุญเสมอกันมีรูปงามควรคู่กันโคจรมาพบก็มีความสุขไปแต่หากคนที่ร่วมบุญกับเราเขาก่อกรรมชนิดต้องชดใช้ด้วยรูปอัปลักษณ์เราก็จะรู้สึกกลืนไม่เข้าขายไม่ออกคือรักก็รักแต่เจือด้วยความแหนบปนด้วยความเดียดฉันอยู่ด้วย เครายขึ้นมาถ้าเราติดรูปมากกว่ารักแท้ก็อาจไปคว้าพวกหน้าเนื้อใจเสือหรือคนที่จะมาอยู่กับเราเพื่อจองเวรกันในรูปแบบคู่ผัวตัวเมียน่ากลัวจังลันดาวรำพึงแต่น้ำเสียงไม่ส่อความกลัวตามคำเพราะยังไม่เชื่อเลยว่าตนจะมีความเดือดร้อนเพราะคนรักจริงๆยังปักใจอยู่ดีว่าตนเป็นพวกสมบูรณ์แบบที่มีคนสมบูรณ์แบบด้วยกันเท่านั้นจะสามารถเข้าถึงตัวเข้าถึงหัวใจได้บอกใบให้สังนิดได้ไหมคะเอาแค่ว่า คนแรกที่หนูจะรักเนี่ยอายุอานามเท่าไหร่หรือมีลักษณะสูงสูงต่ำต่ำดำดำแดงๆอย่างไรได้เป็นคนขาวสูงใกล้เคียงหนูแล้วก็ไว้ผมยาวแก่กว่าหนูราวสามสี่ปีแอะยิงสาวอุทานสวนคําทํานายทันควันเริ่มยิ้มเยาะได้เพราะหมดศรัทธาความแม่นของหมอดูเสียแล้วลักษณะที่พี่บอกมาหนูรู้จักอยู่คนเดียวเป็นเพื่อนใกล้บ้านที่วิ่งเล่นกันมาแต่เด็กถ้ามีเหตุจูงใจให้หนูรักนายคนนี้ และนายคนนี้ทําให้หนูเจ็บหรืออายได้หนูจะมาขอเรียนวิชาเอาหน้าแทรกแผ่นดินหนีจากพี่นะคะหล่อนพูดจ่อยๆอย่างร่าเริงใจที่เรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้เต็มอกอุปการะหัวเราะเอื่อยวิชานี้เรียนยากหน่อยนะปากลานดาวยิ้มทว่าในตาดุที่พี่บอกคือหนูจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในไม่กี่วันข้างหน้าหนูจะรอหนึ่งเดือนหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนูขออนุญาตกลับมาแจ้งให้พี่ทราบดังๆนะคะว่าพี่ทายผิด อุปการะยิ้มเฉยมิได้ต่อตากับสาวน้อยครู่หนึ่งหล่อนก็ควักเงินค่าดูหมอออกมาวางบนโต๊ะแล้วลุกจากไปโดยไม่ร่ำลามากกว่าคำฝากทิ้งท้ายนั้น